แนะนำบทอัสยาดาบทอัสยาดาเป็นบทมัคคิยามีสามสิบองค์การมีสภาพคล้ายคลึงกับบทมัคคิยาอื่นๆที่ได้กล่าวถึงหลักการอักขีดะของอิสลามคือการศรัทธาต่อหลอต่อวันพระโลกต่อบรรดาคัมภีต่อบรรด า, ดาราซูลต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนจุดมุ่งหมายหลักของบทมัคคิยาในการดำเนินเรื่อง ก็คือการฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พวกบูชาเจวตได้ตั้วเถียงกันมากและถือเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธท่านอัสสุลลัลสลลัลลอฮเะลยเวสลับบทนี้เริ่มด้วยการขจัดข้อสงสัยที่พวกบูชาเจวตมีต่ออัลกุรอานจึงเป็นเหตุให้มีการกล่าวหาและสงสัยว่าท่านเป็นคนปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นมาเอง ทั้งๆ ท, ที่องค์การทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งในความหมายและหลักฐานดังนั้นบทนี้จึงได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุกภาพและเอกภาพด้วยการชี้แจงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในหมู่จักรวาลทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผ่นดินตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเบนความสนใจไปสู่พระผู้ทรงสร้างผู้ทรงเอกา จางนั้นอัลกุรอานได้กล่าวถึงความสงสัยแบบคนปัญญาอ่อนของพวกบูชาจเวดในการที่พวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันปรโลกอัลกุรอานได้กล่าวตอบข้อสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและชัดแจ้จงจนกระทั่งพวกเขายอมรับในความประชัยของพวกตนต่อหน้าหลักฐานบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันแห่งการสอบสวน และสิ่งที่อรรถทรงจัดเตรียมในวันนั้นไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาผู้อย่างเกรดคือความสุขสำราญอันทาววในสวนสวรรค์อันหลากหลายและสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธคือการลงโทษและการใส่โซ่ตรวนในนรกยานนับบทนี้ถูกเรียกชื่อว่าบทอัสเยดา พระองค์ทรงกล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาผู้กระทำดีซึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินบรรดาองค์การของอลัลกรุรอานพวกเขาจะก้มลงกราบและสวสดูดีสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่หยิงพยองสุนนะให้อ่านบทนี้ในละหมาดซุบฮีคือในเช้า ว, วันศุกร์ท่านอาบีมุฮัมมัด ส, สัล ล, ลววสสัลลอฮุวาลลอฮิสลัลลัมเคยอ่านในละหมาดฟาจของวันศุกร์ สองบทคืออัลีฟลามมีมตันซีนและอัลฮะตาอลัลอินซาส่วนใหญ่ของผู้ไม่มีความรู้คิดว่าจุดมุ่งหมายในข้อแตกต่างของการละหมาดนี้คือมีการสุยุดเพิ่มขึ้นและเรียกกันว่าสุยุดของวันศุกร์เมื่อบุไดไม่ได้อ่านบทนี้ก็ชอบที่จะให้อ่านบทอื่นที่มีสุยุด ด้วยเหตุนี้อิหม่ามบางท่านจึงไม่ชอบที่จะให้อ่านบทนี้เป็นประจำในเช้าวันศุกร์เพื่อป้องกันข้อกังขาของผู้ที่ไม่รู้เชคคุนอิสลามอิบนูไตมิยาได้กล่าวไว้ว่าความจริงการที่ท่านนาบีสอลลรอหัวไลซัลลัมได้อ่านบทนี้ในเช้าวันศุกร์ก็เพราะทั้งสองบทนั้นประมวลไว้ด้วยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในวันนั้น สองบทนั้นได้กล่าวถึงการสร้างอาดัมสภาพการของวันพรอโลกและการชุมนุมของปวงบ่าวทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในวันศุกร์การอ่านบททั้งสองในวันนั้นก็เพื่อเตือนให้ประชาชนรำลึกถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นส่วนการสูยูดนั้นเป็นเพียงลักษณะต่อเนื่องไม่ใช่การเจาะจงจงกระทั่งทาให้ผู้กระทำละหมาดเจาะจงอ่านบทนี้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกันนี่คือลักษณะเฉพาะของวันสุิร์ด้วยพระนามของลอร์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลลามมมี การประทานลงมาของคำพีนี้โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆนั้นจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกออมิอุลลูนัฟต์รอบัลฮุวะลฮักกุมิลรบบิค์ลิตุนดิรกุมะมัตต์ฮุมมินนดีริมิลกับร์ล หรือพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมหมัดได้แต่งคำพีนี้ขึ้นมาแต่ถ้าว่าคำพีนี้คือสัจธรรมจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมาอย่างพวกเขาก่อนหน้าเจ้า หวังว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง。Allahul Ladi khalqas al-sama wa al-abbu ف a ma beynahumaa f ا sitta ayam fi s i َ t a ayam thenmasta wa al-arsh ma lakum min dounhi min waliyyu wala shafi'inna f a l a t e t a อัลลอฮคือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลา6กวันและพระองค์ทรงสถิตยอยู่บนบัลลังสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระองค์และพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญบ้างดอกหรือ Um uh im พระองค์สรงบริหารกิจการชั้นฟ้าสู่พันดินและมันก็จะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับหนึ่งพันปีตามที่พวกเจ้านะับ นั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผยเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอสออออลีนคชบดิผู้ทรงทําให้ทุกสิ่งที่พระงองค์ทรงสร้างมันให้ดีงามและพระงองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดินลลต แล้วทรงให้สืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอสุจิอันต่ำต้อยแล้วทรงทำให้พวกเขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์และทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขา และทรงให้พวกเจ้าได้ยินและได้เห็นและมีสติปัญญาส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณและพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราได้สลายตัวลงสู่ใต้แผ่นดินไปแล้วเราจะเกิดขึ้นมาใหม่กระ น, นั้นหรือ แต่พวกเขาปฏิเสธต่ต อ, อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขาุลจมมลลกเบบรจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ามะลักผู้ปลิดชีวิตผู้ที่เดรับมอบหมายเกี่ยวกับพวกเจ้าจะปิดชีวิตของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะถูกนํากลับไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ا أ ا إ และถ้าเจ้าได้เห็นเมื่อผู้กระทำความผิดทั้งหลายกม้มศีรษะของพวกเขาลงณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาพาังกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา เราได้เห็นแล้วเราได้ยินแล้วขอได้ทรงโปรดทรงเรากลับไปยังโลกอีกครั้งหนึ่งเถิดเพื่อเราจะได้กระทำความดีแท้จริงเราเป็นผู้เชื่อมั่นแล้วลวาาว และถ้าเราประสงค์แน่นอนเราจะทำให้ทุกชีวิตสู่แนวทางที่ถูกต้องของมันแต่ว่าคำสัญญาของข้าจะต้องสมจริงแน่นอนข้าจะให้นรกเต็มไปด้วยยินและมนุษย์ทั้งหมด ดังนั้นพวกเจ้าชาวนรกจงลิ้มรสเถิดเนื่องด้วยพวกเจ้าได้ลืมการชุมนุมกันในวันนี้ของพวกเจ้าไปเสียแล้วแท้จริงเราก็ลืมพวกเจ้าด้วยและพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษตลอดกาลตามที่พวกเจ้าได้กระทำ แท้จริงบรรดาผู้สรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเรานั้นเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึงมันพวกเขาก็จะก้มลงกราบ และการสรุดีสรรเสริญแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่ยิ่งพยองสีข้างของพวกเขาจะเคลื่อนห่างจากที่นอน พลางวิงวอนต่อพระผู้อภ you ิบาลของพวกเขาด้วยความกลัวและความหวังและพวกเขาจะบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นเครื่องยั่งยีบแก่พวกเขา ดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้สำหรับพวกเขาให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาเป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกนี้น ان, นนนดังนั้นผู้ศรัทธาจะเหมือนกับคนชั่วได้อย่างไรพวกเขาย่อมไม่เท่าเทียมกันแน่ ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นสำหรับพวกเขาคือสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พำนัก โดยได้จัดเตรียมไว้ตามผลงานที่พวกเขาได้กระทำไว้ أن من خرجوا ذا ذ และส่วนบรรดาผู้ที่ทำชั่วนั้นที่พานักขอพวกเขาคือไฟนรกคราใดที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากมันพวกเขาจะถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในนั้นอีกและจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรกซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธ และแน่นอนเราได้ให้พวกเขาลิมรถการลงโทษอันกล้ในโลกนี้ก่อนการลงโทษอันดิ้งใหญ่ในปราโลกเพื่อว่าพวกเขาจะกลับ วสึกและผู้ไดเล่าจะทายิ่งไปกว่าผู้ถูกเตือนให้รำลึกถึงองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาก็ผินหลังให้องค์การเหล่านั้นแท้จริงเราเป็นผู้จองเวรผู้กระทาผิดทั้งหลาย ه ه ل ل และดแนนอนเราได้ประทานคำพีให้แก่มูซาดังนั้นเจ้ามูัมหมัดอย่าอยู่ในการสงสัยต่อการพบมันและเราได้ทำให้มันคำพีเตารอด เป็นทางนำที่ถูกต้องแก่วงวานอิสราเอล